บุกทูเก้าสิบเก้าอดคามตสตครามติคำแสดงความเป็นเจ้าของ Kenitiv ว e n i t v แมวของแฟนดิฉัน เชมิเมกอบริสคาตาเชมิเมกอบริสคาตะสุนัขของแฟนดิฉันเชมิเมกอบริสจาร์ลีเชมิเมกอสจารของเล่นของลูกดิฉันเชมิบาวชวบสิสซาทมาชเวบชมิชวบิ นี่คือเสือ้อคลุมของเพื่อนร่วมงานของดิฉันเอสอาริสเชมิโคลเลกัสปาอสอาริสเชมิโค a เลกนั่นคือรถของเพื่อนร่วมงานของดิฉันเอสอาริสเชมิโคลเ a กค นั่นคือผลงานของเพื่อนร่วมงานของดิฉันกระดุมของเสื้อหายไป ลอวเลียกุญแจโรงรถหายไปออฟทอสัดกมิสกาบิักอาุียอสัดกอมิสกาบิตักอารกุลียคอมพิวเตอร์ของหัวหน้าเสียอุปรธิสคอมพิวเตอริกาพูเชบุลีย อุป r s คอมพิวเตริกาพเบูลใครคือพ่อแม่ของเด็กผู้หญิงวินอาริยันโกโกนัสมชอบเบลบีวินอาริยันโกโกนัสมชอบเบลบีดิฉันจะไปที่บ้านพ่อแม่ของเขาได้อย่างไรโรกอร์มิวลมิมชอเลบิสซคลช เราคมีวันมิซิมชบเล็บสสซัคชิบ้านอยู่ตรงสุดถนนสัคลีคุชิสโบโล ส, กส์กัสซัคลีคุชิสโบโล ส, ส์ตกัสเมืองหลวงของสวิตเซอร์แลนด์ชื่ออะไรรักควียชสวทตร์ิสเดดัคาลักซ รควียชวสซารสเดดาคาลักซ์หนังสือชื่ออะไรรัอาริสซิกนิสาาเลบารักอาริสซิกนิสาาเลบาลูกๆของเพื่อนบ้านชื่ออะไรออะไรักควีย์เมโซบลิสพาวชเวปสรควียเมโซบลิส โรงเรียนของเด็กๆปิดเทอมเมื่อไรคุณหมอทำงานกี่โมงถึงกี่โมง เวลาทําการของพิพิธภัณฑ์คืออะไรโรดิสอาริสมูเซียมิสกาห์ซนิสซาเทบีโรดิสอาริสมูเซีมิขียา